ฟังเมื่กี้ก่อนไปรีบรอนไปไหนเวลานี้ก็ยอมขับทำวัดเจนเสียงไม่ตื่นะเป็นวัดมัญหาอู่เรื่อ ย, ยน ะ, อะพอรู้เร่งเราแหนะเนาะไม่ใช่โคสัพปมมันเ ก, กาเสียงดีเสียงเพาะไม่ใชนะ่เสียงขี้เลที่สุดเลย ก็ฟังเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมของเราการฟังแต่สูตรตะเมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังกินตะเมยปัญญาการยาเกิดจากขวดเขี้ยวเหมือนกับเรากินอาหารเราเขี้ยวก่อนค่อยเกินลงไปยา ก, กินผลไม้ทั้งเปลือก บางทีก็ปอกออกผลไยบางประเภทเขาจินจินห้างในมันเช่นมังคุดเอาปลอกทิ่มไปทิ่งไปสมองของป้อมก็จินทั้งเปลือกมันเอาในเอาเม็ดเป็นทิ้งไปการฟังนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอการคิดก็ต้องเป็ น, น, นอย่างนั้นแต่ละพ อ, อทั้งหมดเรียกว่าจินตะไม่ใชปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด อันสุดท้ายสุดยอดเลยนีว่าภาวนาปมยปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติภาวนาคือเจริญสติภาวนาคือเปลี่ยนความร่ายเป็นความดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกอะไรมาเปลี่ยนเป็นดีเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูไปหมดเรียกว่าภาวนาเอาตัวรู้ออกหน้าออกตาเอาตัวรูการตัดจินเอาตัวตัวรูปเป็นนี่ว่าสหตุลาการ เป็นธรรมอย่างยิ่งความรู้จึกตัวน ะ, ะจนมันมีมากจนว่ามันมีแต่ความรู้จักตัวของกายของใจเรานี่จะว่าภาวนาปมตตาปัญญาพวกท่านหลายก็ได้เรียนมามากแล้วเป็นข้าราชการทำ ง, งานทำการมีความรู้ ลูกเขาใชได้จริงๆเขาลูกของเราเช่นงอเช่นพยาบาลเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช้ได้ในโลกสมมุติปัญญาตแต่ใช้ไม่ได้ในปัญญาสัจจะลูกเท่าไหร่ก็ยังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์ความโลภ ช, ช, ช่วยความกโกรธแกล้ความโกรธไม่ได้ความโลภแก้ความทุกข์โกรธโลภหลงไม่ได้ ใครก็รู้วความโกรธมันไม่ดีความทุกข์มันไม่ดีไม่มีใครไม่รู้นะแต่ว่าเียงโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่ยังหลงอยู่อันนี้เราต้องอถือว่าภาวนาเนี่ยภาวน า, าปัญญาเนี่ยเป็นการศึกษาที่เป็นวิชาเอกของพวกเรา ถ้าได้วิชาตัวนี้แล้ววิชาอื่นก็ค่อยดีไปถูกต้องไปบางทีถ้าเราไม่รู้วิชานี้เป็นทุกข์ความดีเป็นทุกข์ความร้ายเป็นทุกข์กความชั่วก็มีเหมือนกันถ้าเราได้วิชานี้แล้วหลุดทุกเรื่องหลุดพ้นทุกเรื่องทุกราวในโลกนี้มัน ม, มากเหลือเกินชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆมากมายหลายอย่าง ในตัวเราในการในใจก็มีเยอะแยะนอกจากการจากใจเราก็มีเยอะแย ะ, แะเรียกว่าโลกทั้งหลายโลกคือหมู่สัตว์พวกเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐมันทำดีได้มันล่าความชั่วได้พัฒนาได้จากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์มาเป็น เทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็นพระเรียวมนุษย์เรามนุษย์โศปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบเป็นเบื่อพวกสัติ์ชันมนาทัศนไม่ได้ไมีเรียกว่าโรคเครื่องมือจัดคือพวกเราด้วยเกี่ยวข้องกับเชิงอื่นต้องบางทีเราเป็นมนุษย์เนี่ยกลัวผีทั้งผีมันขี้ไล่คนเราไม่ขี้เหล็กคนเรา มีความชี้กลัวมากอยู่ในมนุษย์อยู่ในคนอยู่ในความเป็นคนแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะเปรียบเทียบความจริงเห็นไม่ได้ในเรื่องของการธรรมชาติตามความเป็นจริงเมื่อโลกนี้คือดินฟ้าอากาศทั้งหลาย โลกนี่คือรูปลดชินเสียงอะไรต่างๆที่มีรดทั้งหลายลดทั้งหลายแต่ว่าโลกโลกคือลถชาติความโกรธก็เป็นรถความรักความชังก็เป็นลถความดีใจเสียใจเป็นลดจนชาติที่เราได้ลดของโลกมาจนติดจนหลงไปลดของรูป ลถของกลิ่นลถของเสียงอะไรต่างๆจนจนตกเป็นทาสของเขาเสรแล้วเราจึงต้องหาคำตอบให้ได้ให้เฉลยให้ได้อย่างเจ้าฟ้าเจ้าชายศรีธะเมื่อประติออกมาใหม่ๆได้ประกาศเลย ไม่ประกาศตอกมาเลยว่าโลกนี้เราจะเป็นผู้รู้แจ้งทั้งหมดโลกนี้เราเป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วยิษฐานประจุออกมาเอาทำไงจึงพูดได้เด็กน้อยโอ้ก็จะให้โพธิสัตว์จ๋าอย่าไปหาคำตอบแล้วแม้นโทธิจะเฉลยให้เราได้คำตอบก็ามีประโยชน์ยกให้เป็นเรื่องพระโพธิสัตย์จเจ้าชายยิธิษฐาเวทฉันนอนหมดเนะี่ยเป็นโพธิสัต์ พระเจ้าแม่กวรดิมันเป็นพระโพธิสัตว์ยกให้โพธิสัตว์เพราะโพธิสัตว์คือบำเพ็ญบารมีมาอาสศงไขหลายหลายอย่างแล้วที่เราจะต้องเอาอย่างโพธิสัตว์ได้ไหมได้คิดอะไรประกอบด้วยพัฒนาคิดจะช่วยคนอื่นพัฒนาคนอื่นพัฒนาเตงพัฒนาเจียงอื่นว่าตถุอื่นไม่คิดเบียดเบียนใครคิดแบบโพธิสัตว์เห็นอะไรก็คิดจะช่วยเหลือนะ ทำลงไปได้เหมือนกันอย่ายกให้พระพุทธเจ้าอ ย, ายา่ายกให้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เป็นผู้ตัดสรูเองว<น>พวกเราไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่พระเวชชันดรเป็นผู้ที่บริจาคทานมากเอาลองยกให้พระเวชสันดอนไปก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเราด้วยพระพุทธเจ้าตัดสริรูเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราด้วยอย่ายกให้พระพุทธเจ้า แล้วสองสงขององก็ไม่ได้สงวนลิขิ์เอามาเผยแพร่ให้สาธรารณชนรู้จักทั่วโลกทุกทุกชีวิตเลยพระธรรมพระพุทธพระเจ้าตัดไว้เลยแล้วนะเราจึงมีสิทธิอันนี้เป็นอันนิสงถือว่าโชคดีเราไม่ต้องไปค้นว้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนพระองค์ท่าน เราก็มือเอามรดกนับพ้นรดจากพ่อจากแม่เราบางคนไม่ได้ลําบากแม่บ้านแม่พ่อก็สร้างไว้ให้ที่ทําอยู่ทําชิน้นบ้านเดือนไล่นาะเลือกสวนว่าแม่สร้างไว้ให้ตลอดถึงให้เราให้เรียนจนจบมาเหมือนพวกท่านทั้งหลายนะอันนี้ก็อา น, นิสง์ของผู้ที่ให้เราพระพุทธเจ้าให้เราแล้ว เอามาให้เราได้ศึกษาปฏิบัติทำตามจนมาถึงพวกเราบรรพุษของเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้มาถึงวันนี้ด้วยเราก็ได้ทำเหมือนกับ 2,500 590ปีละ่ะนับตั้งแต่ตัดสู้มา45ปีมาบวกกับ บริพานเนี่ยสองัห้ายห้าสิบบวกเข้าไปอีกสี่ห้าปีเป็นสอง0ันเท่าไรเก้ารบวกเข้าไปบวกเข้าไปเลยไม่ใช่ไปเดียวประดาวนะตัดไปดีไม่มีใครเพิ่มเติมไม่มีใครตัดออกได้เนี่ยพวกเราได้รับวันนี้เท่าเท่ากันนะเรามีสิทธิเท่ากัน แล้วเวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็ต้องรัดรัดสักหน่อยอย่าเนิ่นช้าอะไรมากมายทําไมทําไมทําไมอะไรก็ทําไมไปสักหมดกล้องหูกล้องตาไปมันช้ามันช้ามากมากกลับมาหาลูกกลับมาหาตัวลูกตัวลูกให้มันไปไปสักหน่อยเหมือนรัดรัดสักหน่อยเหมือนด่วนสักหน่อย เราก็พาด่วนมากเดี๋ยวนี้ปฏิบัติ ด, ด่วนมากไม่ต้องเชื่อซ้าเหมือนอะไรที่เราได้ศึกษามามันมีวิธีด่วนแค่ปฏิเสธเรื่องอื่นก็ได้เหมือนเหมือนหมของสัตว์ที่แฝกมาถึงหลวงพ่อมาถึงโรงพยาบาลจุฬาหลวงพ่อเป็นป่้ยที่อยู่โรงพยาบาลจุฬา ท, ววออท่านาาาได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อป่วยหมอคงศ์ศักดิ์สิเชนลุยท่านแฝกมาว่าได้ทราบว่าหลวงพ่อป่วยเป็นก้อเนื้อในตะ บ, บอนยังไม่มียารักษาหมอนคำพนแฝ ก, ก, ก, ก, ก, กต่อไปว่าก้อเนื้อตะบอนมันขยายแปจกลําคอหมอเราหมอคงศักดิ์ตอบมาเอกว่าเออทา ง, งั้นรักษาได้ เอาขีดจีโมตรงไหนให้ท่านเข้าไปเลยเพื่อสกัดก้อนเนื้อให้ท่านได้หายใจได้ข้าพเจ้าปฏิปเสธวิธีการรักษาอื่นใด ท, ทั้งสิ้นให้ขีดจีโมให้ท่านโดยด่วนหรือว่าตัดจีิงใหญ่แน่งงเลยเพราะว่ามีความรู้มีความเชี่ยมันเราก็เหมือนกัน่ตัดปัญหาเข้ามาหาตัวรูทันทีหาตัวรูทัน ท, ท, นทีมีเรื่องมากมายกายกองเท่าไหร่ก็ตามเข้ามาถึงตัวรู ตัวรู้จักตัวซึ่งเราก็ทำได้นี่นะยกมือเขา้าเอากาใสยอิรบทช่วยปลุกความรู้จักตัวขึ้นมาให้มีให้มงากก็ได้นี่ไม่ใช่เราไปขอจากไข่รอเวลาวันเดือนปีเวลาเท่าไหร่ไม่มีหลงกลางคืนก็รู้กลางคืนหลงกลางวันก็รู้กลางวันตอนเช้าสายไปเย็นรู้ได้เนี่ย ในโลกนี้มันมีมากเหลือเกินในตัวเราในกายในใจนอกกายนอกใจแม้แต่ในวัดนี่ก็ยังมีสิ่งที่ทำให้เราหลงเยอะแยะไปเลยอะไรที่มันไม่เหมือนอยู่บ้านเราบางทีท่านทั้งหลายอยู่บ้านอาบน้ำอุน่นแช่น้ำอุน่นเปิดตู้เย็นนอนห้องแอรนะ์ฟังเสียง อะไรได้สบายหูทิพตาทิพสมปรารถนาไม่ต้องมาตื่นทีสามทีสี่มันอยู่ที่นี่ไปที่นี่ตื่นทีสามทีสี่แล้วอตอนเย็นก็มาแล้วแล้วก็นอนอยู่กติเห็นนักปฏิบัติอยู่สละไก่รีบเดี๋ยวก็รีบแาบน้ําแล้วก็รีบมาทมําำงาอนี่ก็ไม่เหมือนอยู่บ้านแล้วว่าเรานอนเอาขาวควยกันก็ได้ไม่มีใครม า, าว่าเราอันนี้ก็เลย เออมันไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่บ้านเรานะถ้าเรามาทําใจดีข่องขวงมันก็ขวงทางสติได้อันนั่นดีกว่าอันนี้ไม่ดีพอใจแล้วไม่พอใจโมนี่แหละมันมีแต่สิ่งที่ทาเราคล่องแวะอะไรต่างๆมากมายอากาศว่างควมหนาวบ้า ง, หาางเห็นถนโนนนทางว่างอ่านการกินบ้างเพื่อนมิตรบ้างที่อยู่ร่วมกันเป็นเร้อย อันเนี้ยเงนต้องไม่เหมือนเราล่ะอ๋เราคือมีสติเนี่ยเอา้าพอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอย่าไปข้องอันอื่นมากเกินไปนอกจากเราศึกษาแล้วามาลู้สภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมเนี่ยมันตั้งหมดนั่นแหละในตัวนอกตัวเป็นสภาวะธรรมเนื่องด้วยกันความพอใจความไม่พอใจถ้าเรามามีสติมันจะเห็นแจ้ง กาไปเลยเห็นกาเห็นใจเห็นเป็นรูปเป็นนามแต่ฉันละปานเห็นเป็นรูปมาทำเห็นเป็นนามมาทำอืมมันเป็นรูปจริงๆเนี่ยสมเงือบทากเรียกว่าสามัญยลักษณะเสมอกันหมดนั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปมาทำเป็นนามารูปก็มีเท่าเท่าเทียมกันถ้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันถ้าหนาวก็หนาวเหมือนกันถ้าหิวก็หิวเหมือนกัน ปวดหลังปวดเดียวปวดหัวเจ็บปวดท้องหมือนกันเหมือนกันหมดนี่ว่าสามัญลักษณะเสมอการสามัญชนสามาัญคือทั่วทั่วไปเหมือนกันหมดอือเราได้หลักแล้วบนารู้รูปลูบทรูปรูปลูบนามเอาหมารูปรูบทำนามทำรูปบรรจมดีรูปบรรจมชั่วน้ำบรรจมดีน้ำบรรจมชั่วรูปคือกายที่มันเคลื่อนไหวเราจ้างกติเอารูปมาทําความดี สร้าสิรู้สึกตัวเอารูปไปทาหัชั่วไปฆ่าไปดีไปดูไปด่าเขาน้ำก็ได้ไม่คิดชั่วคิดที่เป็นอกุศลอา้าวมันพาลไปรูปทำน้ำทำงันทำดีมันทำชั่วเกิดจากรูปจากน้ำเราเคยปล่อยป ะ, ะเลืเลยรูปทำน้ำทำาน่เป็นไปด้วยความป่าเถื่อน ไม่เป็นของที่อํานวยซื้อเป็นสิ่งที่เอื้อเครื่อกูลต่อชีวิตเราเลยมิแต่จะมีปัญหามีบ้างนะมีบ้างเอามาใช้ต่อล่างสร้างตัวใช่ศึกษาเราเรียนคิดดีบางทีคนที่ใช่รูปใช้น้ำมาเป็นก็เตะเตะล้เลินไปติดคุกติดรางถึงกับรงโทษผ่านชีวิตไปเอาหลงมันอันนี้ ก็เราก็อยู่ในบรรพบุรุษมีคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์เราที่เป็นครูอาจารย์สั่งสอนพวกเรามาถ้าเราไม่มีผู้สั่งผู้สอนก็ว่าเถื่อนเหมือนกันนะเหมือนหลวงพ่อเอาเอาเด็กเอาเด็กที่โรงเรียนที่บ้านหมูบ้านเด็กมันชุกชืดมากดื้อ คนที่หมู่บ้านเด็กเขาดูไม่ไหวก็ส่งให้เราทีนี้เราก็อบรมดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเมือ่อนสัตสัตต้องยังสอนได้นะอันนี้โอ้ยให้แม่ชีให้แม่ชีดูเลยแม่ชีก็ช่วยไม่ไหวให้หลวงพ่อหลวงพ่อเขาช่วไม่ไหวให้พระพระก็ช่วยไม่ไหวเอาให้เน้นด้วยกันเน้นด้วยกันก็ช่วยไม่ไหว จะฆ่าเด่นเน้นไม่มีที่หลบลงไปในน้ำไปอยู่ในเกาะไปอยู่ในเกาะไปซ่อนเนาะก็เห็นลอยลงไปนนไปอยู่ในเกาะเกาะสะบวนโอ้ยทำไงนาะสอนเวลมีเหมือนกันนะเรียกว่าเนยยาปะทะปะละมะมีเหมือนกันมีเหมือนกันคนเรานี่ยเนะพราะไม่เคย อบรมสั่งสอนอยู่ในชีวิตรอมไม่ดีแล้วก็ติดไปครับชิตงต่างไปท่านเราเนี่ยพยายามช่วยตัวเราพยายามช่วยตัวเราให้ลูบลูบลูน้ำไม่ใช่ให้ลูบให้เห็นมันเคยเห็นก็ทำไมจะไม่เห็นเนี่ยมันเคลื่อนมันไหวนี่ะมันเห็นเนี่ยเป็นลูบทำเป็นนาำ ม, มันทํามันทําดีทําชั่วเห็นมันอยู่เป็นลูบนาำนา้ำทำ น่าสงสารตอนที่ม ial, 44, es, personal, ันเห็นรูปทุกขเห็นนามทุกเนี่น่าสงสารมากรูปโลกนามโลกเป็นเรื่องที่น่าสงสารชีวิตตัวเองน้ำตาร่วงเลยเ่าก็กินบุหรี่ก็สูบกดก็กดทุกโกทุกแล้วก็ลักชังก็ชังหลงไปกับความลักหลงไปกับความชังหลงไปกับการท่องเที่ยวกลางค่าคืนไม่หลับแน่นอน กลางคืนเป็นเห็นกลางเวนเป็นนกเข้าพอเฉยความหนุ่มความสาวหลงไปกับรูปรถจริงเสียงเห็นรูปทุกเห็นนามทุกเห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นลูกรูปที่มันเกิดกับรูปโลกที่มันเกิดขึ้นกับนามนะ่ย เห็ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับน้ำโอ้ยเกิดตื่นรือล้อนช่วยตัวเองการช่วยตัวเองนี่มันเป็นความภูมิภาาภูมิใจที่สุดเลยถ้าเราช่วยตัวเองเป็นขอช่วยคนอื่นเป็นถ้าเราเห็นความทุกข์ของเราเห็นคนอื่นเหมือนเราโอโลโคตั้งเราส่วนม่นเจริญความเจราญเจริญถ้าคนนาเข้ามายั่งยืน ย่มราทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปเป็นธาตุของความอยากไม่รู้จะกินไม่รู้จกเบือ่อโูกของโ ล, ก, ลกของโูกโลกของหนามโ ล, ก, ลกของโลกโลกของหนามความอยากตนนัวนี้แม้ท้องมันหิวใจมันยังอยากอ ย, กอยู่เรียกว่าตัณหาตัณหาเกี่ยวกับข้องติดลักลูกกับเมียเป็นตัณหาไม่ไม่เป็น พระพุทธเจ้าสอนในรักกันพระพุทธเจ้าเป็นยอดนังรักที่สุดเลยเขาจะสอนไในทิ้งกันนะอย่างองค์เทมารจับดาบไล่พันพงพงยังคิดรักองค์เทมารยังคิดจะช่วยองค์เทมานเลยนี่ว่ายอดนังรักที่สุดเลยไม่มีใครที่จะช่วยคนที่เขาไล่จับดาบไล่ฆ่าตัวเองพระพุทธเจ้าของเรายัางคิดจะช่วยอยู่ ยอดนักรักที่เฉลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกเขาด่าเขาว่าอะไรก็อย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือที่เราให้ฟังลูบลูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมตินามสมมุตมมมิตเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่มันเห็นพบเห็นกับตัวชีวิตเรา เห็นกับชีวิตเราไม่ใช่เห็นอะไรที่มันจำมานอกตัวเราไม่มีเมื่อเห็นตัวเราเป็นเจนเป็นหลักสูตรเป็นเทคเตอร์เป็นตัวใหญ่เป็นตัวแปรแ้วมันรล้ไปหมดละเป็นตัวแปรไปเลยโลกสมมุติน้ำสมมุติโอ้ยสมมุติเนี่ยฟองใหญ่ไพศาลตกหลุมแห่งความรู้ที่เป็นเห็นสมมุติเนี่ยเห็นสมมุติเนี่ยถือว่า สมน้าน้าหวมชั่วทั้งหลายมันมีสมน้หน้าเหมือนกันเมื่อเรานอนในมุง้งฟังเสียงโยงมันบินขา้างนอกจนหน้ามันมันได้กัดเราใช่ไหม <laughs> นอนในมุง้ง <laughs> ถ้าเราไม่มุง้งแล้วโ ย, ยงมาหนึ่งตัวกัดหนึ่งตัวสองตัวกัดสองตัวไปเลยสิบตัวกัดสิบตัวเลยอ้านอนเรานอนในมุง้งโยงมันบินมุงม้งแมงมงแมงมง อนอนยิ้มสบายในมุ้งเราก็เหมือนกันเราไม่เห็นเนี่ยตัวเห็นตัวเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้เห็นทุกข์ก็ทุกข์ทำให้เราไม่ได้เห็นโกรธโกรธก็ทําให้เราไม่ได้เห็นอะไรก็แต่แต่เราเห็นแล้วมันมีเห็นแล้วมันก็หลุดพ้นอยู่ตรงนั้นเห็นสมมุตินี่ยโอ้ยสมมุติมันมีสองอย่าง สมมติบัญญัติอันสมมุติที่มันเป็นธงรมธรรมสมมุติที่เป็นวัตถุธรรมสมมุติที่เป็นวัตถุธรรมมีมากตาอย่างหว ง, งพ่อเขาเชื่อหลวงพ่อคำเขียนชื่อว่าหลวงพ่อคำเขียนแม่ชื่อเลียนพ่อชื่อสมานมีนามสกุลเหล่าชันี้สมมุติบัญญัติมาอ่า อยู่ว่านเลขที่ตามบนน้ำเพล์คนหมายรองรับเป็นคนไทยร้อเอร์เ็นต์ไม่ใช่เป็นคนต่างประเทศนะบางทีคนมาฟังพอพวนโอ้ยเพียเพ้ยนเพี้ยนมันก็เสียงฝรั่งไม่ใช่เพราอามันมันเสียมันเฉียหายเพราะพญาติมันบีบทาคีเรารอดมาเนะนี่ยมันก็คนไทยร้อเปอร์เ็นต์นะ ตัวบาปอยากได้บุญเหงั้นกันสมมุติบรญญัตเิเป็นรูปเป็นรูปว่มีตัวมีตนถ่ายภาพติดทั้งสือสุทธิถ่ายภาพทําพัชปอดไปมืองนอกเอารูปมันก็เป็นพระคำเขียนหลวงข้อคำเขียนเห็นที่ไหนเขาก็เอารูปไปสมมุติประหจัตหลองลับยิงแบบสมมุติแต่ไม่ยิงแบบประมาท บัลลมัดจริงๆไม่ใช่หลวงพ่อกับเพียนหรอกมันเป็นสภาวธรรมเป็นอัมมาชาติที่มันเหตุต่อเนื่องกันมาเนื่องด้วยกันมาอันนั้นบัลลังก์สภาวธรรมไ ม, ไม่ใช่สมุด ท, ที่เป็นรูก ป, ประธรรมมีเยอะแยะเลยอาจารย์จุกิประเทศญี่ปุน่นมาอยู่กับหลวงพ่อยีปีแล้วยี่กว่าปีแล้วมาใหม่ๆอ่ะเป็นหนุ่ม นักศึกษาจุฬามาศึกษาศาสนาเปรียบเทียบที่จุฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เอาหนังสือมาให้หลวงพ่ออาจารย์มาจุฬาแล้วว่แล้วพ่อกขาเขียนไหมแล้ไม่พูดภาษาไทยไม่ได้หนระอกอ๋อนี่แหละหลวงพ่อจอเอายื่นหนังสือให้ใช่ไหมยืนหนังสือให้น่ย อาจารย์หาจิลาถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาต้องไปหาอาจารย์กันเขียนพัดปาสุกุทโตชี้ยังไงก็หลุมบุกมาเลยเดินขึ้นเขาสมัยก่อนก็เพื่อไปรู้เรื่องกันเลยจังไมเนอะเอาภาษาไปภาษาไป <c oughs> เอายกมือย อ, อย่างาี้วะก็ยกมืออยูก่ออยกัทีหลังนั่นตั้งแต่มาที่แรกเดิน อันนี้เด็กทาบว่าหลังคาลวกมันนานเกินไปยี่สบสามสปีแล้วล่ะ ค, อคือมีใครไปชอบไหมหรือเปล่าก็ลวกมาเนี่ยสมมุติมันหยัดอันนี้อาจารย์ยูจิมาจากญี่ปุน่นอาจารย์ยูจิก็ไม่ใช่ชื่อยูจิมันเป็นปรมาสพาวาตา์เป็นธรรมชาติเป็นสภาพทำเนื่องด้วยกันมามามาม า, ม า, มา สภาวธรรมจรงอันเดียวกันปรมัดคื อ, อนเดียวกันอันนี้ก็ไม่ใช่จันยุจียุจีเป็นสมมติตัวที่สภาวธรรมเหมือนกันไม่ไม่เหนือสมมุติบัญญัติอันนี้เป็นลกูกนามธรรมก็เหมือนกันนามธรรมที่เราสมมุติขึ้นมาเราบัญญัติขึ้นมาด้วยบัญญัติต่างกันในนามธรรมนะ่ย อันสมมุติเหมือนเหมือนกันที่เป็นชื่อแต่ว่าโลกสมมุติเตรียมวัตถไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าไงอันเรียว่าเสาอันนี้ว่าแอนนาอาจารย์ประเทพชื่อมาให้แล้วก็เวลาร่อนก็ติดแออันนี้แออันนั้นเรียกว่าพัดลมอันนั่นเรียกว่านาฬิกาเอา้จาะจะรับปัญามันก็ยิงแบบเราสมมุติมันใช่ได้ แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปรมาภิมสมุทที่เฉยนางมทาทำเนี่ยนางมทาทำเนี่สมมุติต่างกันสมมุติต่างกันผัวไข่เมียมันพ่อแม่ของไข่ที่เป็นสมมุติปัญญาที่เป็นลูกมาทำนางมทาทำก็รับเอาเป็นเรื่องจริงจังตายด้วยกันได้คิดถึงคิดห่วงอะไรอวบ์ ยอย่างคัดจัาหาร อ, าอนุสรณ์แห่งความรักของคัดจัมหารประเทศอินเดียรักเมียมากเมียตายจากอากรอาอิสลามรา์ฮินดูรักเมียนางอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วสร้างคัดจัมพหารสวยงามที่สุดเลย ส้างล้วก็ส่างที่ใส่ศพของนางแลสร้างที่สศพของตัวทั้งๆที่ด้วยยังไม่ตายนอนอยู่เลยกันอันในความหลักลักสุดหัวใจในโลกแห่งความสมมติความสมต ม, สมตินี่ทับผมชีวิตพวกเราที่เป็นสมมติปัญญิแต่ปรมาจาจย์นางคนนั้นก็ไม่ฟังเสียงใครหัวใครเมียใครไม่รับรู้ ความเจใจเจบตาตัดสินใหญ่ตัดสินแล้วตั้งแต่วันเกิดมาไหลไปเลียงไปถือความเกิดความเจรเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปมันไม่หมดตั้งแต่เวลาวันคืนมันเอาชีวิตเราหมดไปด้วยหมดไปด้วยนี่เ้าปรามัิความจริงเป็นะอันนี้สมมติบรัญญัติที่เป็นนามธรรมส่วนปรามัิสัจนะ ปรมัตสัจจะมันจริงไม่มีอะไรที่เป็นสมมติได้เช่นความโกรธเป็นสมมตรรุติบัญญัติความไม่โกรธเป็นปรมัตสัจจะสมมุติด่ไม่จริงนะปรมัตที่จริงจริงแบบไหนจริงแบบไม่โกรธทุกเป็นสมมตรรุติบัญญัติความไม่ทุกเป็นปรมัตสัจจะมีอยู่ในกับตัวเราเราต้องถอนตอนนี้ให้มันเห็นเปิดประตูออก เลืองประตูธรรมก็ได้ประตูธรรมอยู่ตรงนี้เห็นสมมติบัญญัติเห็นเปรตมัดสัจจะในชีวิตของเราในโลกทั้งโลกเลยเบาวิวหรือวะเนี่ยได้เห็นอะไรก็พังออกพังออกพังออกพ อ, อกประตูธรรมเดินเข้าอย่างสบายเลยเดินเข้าอย่างสบายเหนือเหนือสุขเหนือทุกขณะที่รูนะ้นั้นทันทีเลยเบา โอ้เนี่เป็นสมญญออนสมุติบัญญัติผู้ใดลื้อถอนสมมุติบัญญัติได้หรือว่าเข้าสู่แดนพารียบุคคลได้เหมือนกันไม่ใช่มาบวชผมกีวรคนผมผมเป็นลูกแจ้งในความบิชากรรมชานนี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่บวชเลยเป็นโยมอยู่เพราะว่ า, าลูล้เรื่องนี้เขาไปโอ้โบปานนี้เย หองพ่อเทียนนี่มันก็เจงแท้สอนคนให้รู้จักรูปจักน้ำนีสอนคนให้รู้จักลูปจักน้ำสอนคนให้รู้จักลูบทำนามทำให้รู้จักรูบโลกน้ำโลกให้รู้จักสมบูร์นั่นือจากหมันหยัดให้จากวัตถุอาการต่างๆวัตถุอาการต่างๆเกี่ยวข้องด้วยเราเกี่ยวข้องด้วยเราในโลกแห่งดินทาอากาศเกี่ยวข้องด้วยเราอีกความร้อนความหนาวฝนตก เดนว่ากัดบัญญัติมาอยู่กับตัวเราให้เราได้ฉลาดเพราะเรื่องนี้กันอย่าไปหลงเพราะเรื่องอย่างนี้มันหลงมากที่ทำไมโลกเนี่ยมันมีโอกาสที่หลงมากถ้าเราลูกฉลาดมากมากกว่าโลกเจะอีกนะอั น, นี้เราไม่ได้ไปเรียนไหนมหาวิทยาลัยที่ไหนเรามาเรียนในกายในใจเราเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันสามารถที่ สิ้นพบสิ้นชาติได้เลยทีเดียวจากความหลงความโกรธความรากความชังความโศกความทุกข์ความยินดียินไล่เสียใจพอใจไม่พอใจสิ้นไปเล ย, เลยนะั่นเราอยู่เหนือโลกไม่ใช่เราบินไปอยู่บนก้อนฟ้าก้อนเมฆนั่งอยู่นี่แหละสุกตนั่งอยู่บ้านของท่านทั้งหลายไม่มีอะไรที่มาเหนือความรู้เหนือปัญญานี้ได้เหมือน น้ำกับน้ำ ม, มันน้ำ ม, มันมันต้องอยู่เหนือน้ำเสมอแม้เราจะเทน้ำลงใสปให้น้ำ ม, มันมันปนกับน้ำ ม, มันไม่ยอมผนมันก็เป็นก้อนอยู่เหนือน้ำตลอดเวลาทำกว่ามันไม่เปะไม่เพื่อนกับอะไรไม่พอใจแหละไม่ไม่พอใจถอนออกมาได้เหนือรนี่เราจึงสมควรที่จะ บอกกันประกาศกันมาปฏิบัติธรรมให้เป็นเรื่องของเรานี่โอ้ยครงการโรงพยาบาลหลงวงโบหลวงโบโบดีลาําทั่วทั่ ว, ว, วไปขวัญใจใจผมที่ไหนเนี่ยเป็นองค์การที่ดีมากแต่ที่สุดเพราะว่าจริงเหล่านี้มันเป็นเลื่อนฐานะของเราถ้าเราโมลูกเรื่องนี้เอาไปเถอะไปเป็นสามีไปเป็นภรรยาไปเป็นหมอเป็นพยาบาลไปเป็น ผู้ที่ร่วมทางานด้วยกันมันจยสนุกไปเลยสนุกไปเลยนะถ้าเราไม่รู้เรานี่ยข้องแวะข้องแวะเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆอยู่ในใจเราไม่พอมาปวนเพื่อนที่บ้านที่เหลือนกับคนที่หนึ่งที่สองที่สามไปถ้าเรามาช่วยกันตอนนี้ให้เห็นแจ้งในชีวิตเราตามสภาวธรรมที่มันเนื่องด้วยกันมาเนี่ย เนี่ยมาเนื่องโดยกันมาเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วแม่พระพุทธเจ้าจะตัดจะรู้ไม่ตัดจะรู้ก็ตามสภาวะธรรมนี่มีอยู่แล้วแต่พระพุทธรองมาเห็นก่อนเสธ็มาค้นพบก่อนจึงว่าพุทธพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบก่อนหรือว่าอารหันลอยบาปได้ เมื่อมาสอนคนลู่ตามเป็นสักขีพยานยืนยันว่าการตัสิลู่ขององไม่เป็นเหมือ น, นแล้วสอนคนอื่นในลู่ตามได้จึงเรียกว่าสัมมาสัมพุโทโธสัมมาสัมพุโทโธสอนผื่นในลู่ตามได้คนที่ลู่ตามครั้งแรกคือปั ญ, ญจพิียทั้งห้าเนี่ยเป็นผู้ลู่ตามเป็นสักขีพยานจนมาถึงพวกเราเนี่ยโอ้ยเรามา ศึกษาปฏิปทาธรมจะลักขปตธเจ้าบาตรลักศาสนาศาสนาอยู่ในหัวใจของพวกเราใครจะบัญญตัติไม่บัญญัติก็าตามมันอยู่ในใจของเราแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศแล้วว่าศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาหลายปีแล้วพระเจ้าเป็นดินของเราพระองค์ก็เป็นอกเป็นพระราชาผู้บุธรรมเป็นบุธรรม ตอนที่ประชุมกันตั้งศูนกลางศ า, ศาสนาทั้งอะไรมหาวิทยาลัยโลกลาวุธศาสารแห่งโลกแข่งกันแข่งขันกันหลายประเทศนะแต่ว่าประเทศไหนๆเขาก็มีสมาชิกนิ่มมากก่ า, านาเช่นเวียดนามก็มีตั้งแปดสิบ ขัวล้านคนญี่ปุ่นมีร้อยกวัวชาวสหพูธชาวนามีหลายประเทศเงินทองก็มีมากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมหาอำนาจท้งการเศรษฐกษิจเอาจะทังไม้ก็ได้แต่ว่าพอมาพูดถึงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชาทุกวงเป็นพุทธมังม ก, กะชนะเลยชนะเลยเออ พอพูดแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกองเป็นพุทธมารกะเขายกให้ประเทศไทยเราเลยพระเนเรศสถานาพุทธนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราอยู่แล้ว อ, อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวไม่มีใครจะมาทําลายได้ตรงนี้ต้องสถีตเป็น อ, อันมาเผาวัดเผ่าว่าทําลายพระพุทธรูปไหนะ ไม่คิดว่าทำลายพุทธศาสนาศาสนาที่เป็นคนุณธรรมในหัวใจของเราไม่ถูกทำลายเพราะนั้นเนี่ยให้เราได้ชื่นชมสบายเถอะในฐานะที่เรามีปฏิบัติปริยติมีการสอนปฏิยตมีการสอนปฏิบัติมีธรรมวินัยเมื่อใดมีธรรมวินัยก็มีมรรคผลเดี่ยผ่านจู่เบอ น, นั้นปฏิบัติดีปฏิัติตง ยุ่งอะนั้นนั้นเราสบายใจเลยเวลาเราทาความเพียรนี่อย่าไปคิดยุ่งคิดยากทํายากทาง่ายอย่าให้มีทำไยรูกบ้างลกบ้างจงว่ามานเหนื่อยบ้างง่วงนอนบ้างไม่เป็นไรเหนื่อยบ้างบางทีเกิดอารมณ์ขึ้นมาอะไรต่างๆขอใจไม่พอใจไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแต่พื้ตพ่พือไปให้ถือว่าไม่เป็นไรแต่พื้ตพ่พือไปมีควานว่าเราอย่างนั้นในสันเสิญเราก็ไม่เป็นไรในทานเราก็ไม่เป็นไ ร, นน ร, ไ, มน ไ, รไม่เป็นไรในความรู้สึกของเราแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาไปตามเหตุตามปาัจจัยนะอันนี้ให้เกิดความสะดวกแก่เราอย่าไปสร้างความ ไม่สะดวกให้เกิดขึ้นแก่ตนเองคนเดินจะไม่ให้ความสะดวกเราให้ความสะดวกแัวเงเข้าสู่ความรู้สึกตัวให้ได้ไม่ต้องมีอะไรมาขวางกันเพราะคนเด่นจึงเห็นวัตถุอื่นเลยเนี่ยเรามีสติร้อยเปอที่ทําอย่างนี้สิทธิของเราใช่สิทธิของเราเช่นมันหลงไม่สิทธิจะไม่หลงมันโกรธเรามีสิทธิทจะไม่โกรธมันทุกข์เรามีสิทธิที่จะ ไ, ไม่ทุกข์ ให้ใช่สิทธิอันนี้นี่เรียกว่าสิทธิอันชอบธรรมอย่างยิ่งไม่ต้องพี่ภาคสารตุลาการหลเราใช้จิตได้เต็มที่มันหลงไม่หลงมันทุกไม่ทุกมันโกรธไม่โกรธเนี่ยเรียกว่าอยู่โดยชอบเมื่อใดเราทําอย่างนี้อยู่โดยชอบโลกนี้จะไม่บ้างจากพระหันเลยอยู่ตรงนี้แน่นอนอัอนนี้หลวงพวอ่อก็พูดเชียง เออมือตืดต้ออาจารย์วอเทีบหลงพ่อพูดดืดขึ้นไปเก็บเฉียงเหมือน้วอาจารย์ดีเยี่ยมราบพว่งกัน